ดารินวราฤทธิ์จะตกอยู่ในสภาพนั้นนานสักเท่าใดไม่ทราบหลอนมารู้สึกตัวอีกครั้งเมื่อหูแววเสียงฝีเท้าของสัตว์ประเภทตีนกีบเหยียบกรวดหินของพื้นที่บริเวณ น, นั้นเข้ามาใกล้เสียงนั้นดังมาจากทางด้านขวามือของหลอนอันระเกะระกะไว้ด้วยนอหินและป่าปโปรง่งประสาทของหลอนตื่นพร้อม ก, กลับมาเป็นตัวของตัวเองอีกครั้ง และในสภาพที่ยังนั่งเอาหน้าสุกอยู่กับเข่าที่ตั้งชันนั้นมือขวาปาดวูบไปที่ด้ามปืนข้างเอวแล้วทำเป็นนิ่งเฉยเหมือนท่อนหินใช้หูและประสาทสัมผัสทั้งหมดสะดับฟังจับทิศทางอาการของเสียงเคลื่อนเข้ามานั้นอยู่ในสภาพจดจดจ้องจ้องเล็กล้เข้ามาทุกทีเป็นประเภทสัตว์ติงกีบแน่ๆจากหูที่ชนานาญใครมาก่อน แล้วน่าจะมากกว่าหนึ่งตัวขึ้นไปใกล้เข้ามาลกใกล้เข้ามาตามลำดับแต่ก็อยู่ในอาการหยุดหยุดย่องย่องเช่นนั้นที่แน่ชัดยิ่งขึ้นก็คือเสียงสะบัดขนคอฉับพลันนั้นหล่นก็เงยวู้พร้อมกับกระชากปืนออกจากซองเอี้ยวตัวควับไปทางที่มาของเสียงนั้นภาพที่เห็น กลางแสงแดดยามบ่ายลูกกว่างน้อยเขายังไม่งอกตัวหนึง่งสะบัดหางอยู่ดุกดิกดุกดิกย่องในอาการก้มก้มเงยเงยเดินเข้ามาใกล้ซึ่งบัดนี้ห่างจากหลอนเพียงแค่สิเมตรเท่านั้นเองดวงตาไร้เดียงสาของมันเบิงมองมาทางหลอนในทันทีที่หลอนขยับไหวตัวไม่ได้เพนตะเลิดแลนหนีไปอย่างตื่นตกใจ อันควรเป็นไปตามสภาพของกวางหรือสัตว์อันปราศจากอันตรายผิดไปจากที่หล่อนเคยเห็นมาแล้วทุกครั้งแต่กลับยืนแกวงหางมองตาแป๊วมาทางเบื้องหลังของกวางน้อยหน้าเอ็นดูออกไปอีกห้าหกเมตรตัวพ่อเคืองขนาดบัวย่อมย่อมมีเขาแตกเป็นกิ่งสวยงามและตัวมีอันน่าจะเป็นแม่ยืนแงนเบิงอยู่ใกล้ใก ก, กับ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 ตัวพ่อและตัวแม่ยังยืนนิ่งแต่ลูกน้อยอันแสนน่ารักเงยจมูกสูดดมกลิน่นขยับเบนทำท่าจะผละห่างออกไปแต่แล้วก็หมุนตัวกลับเดินเอาจมูกเลียดพื้นใกล้เข้ามาอีกราชสกุลสาวเพ่งพินิษ ด, ดูครอบครัวกว้างที่ไม่รู้จักสัตว์มนุษย์เหล่านั้นดูเถอะใกล้กันแค่เอื้อง ยังไม่รู้จักระแวงระวังภัยเสีบ้างเลยโดยเฉพาะเจ้าตัวน้อยมันถึงภาวะที่หล่อนจะต้องตัดสินใจทาอะไรสักอย่างละในขณะนี้เพราะตนเองก็ต้องการประทังชีพให้อยู่รอดแต่การประทังชีพของหล่อนหมายถึงจะต้องปริชีวิตตัวใดตัวหนึ่งในครอบครัวอันบริสุทธิ์ซื่อประกอบด้วยพ่อแม่และลูกเหล่านี้เหรอ ในชีวิตของหล่อนทําบาปมามากมายแล้วสําหรับสัตว์น่าสมเพศเหล่านี้ขณะนี้ตนเองก็กําลังตกอยู่ในห่วงเคราะห์กรรมชีวิตหนึ่งจะต้องแตกดับไปเพื่อจะมาช่วยให้ชีวิตหล่อนรอดกระนั้นเหรอและสมมุติว่าถ้าจะรอดไปได้ในมือนี้เหตุการณ์ในมื้อหน้าต่อไปล่ะนิ้วที่แตกอยู่กระปืนไกปืนของหล่อน ชาดิกแม้ว่าจะบา่ายศูนย์ไปยังตัวพ่ออันเป็นกวางผู้ขนาดใหญ่และจับเป้าที่ก้านคอแล้วชนิดตูมเดียวจะล้มพับทันทีโดยไม่ทรมานแต่ก็ไม่ทราบว่ามีอะไรมายึดนิ้วข้างนั้นของหล่อนไว้ทำให้ไม่อาจจะน้าวไกลเข้ามาได้มันทั้งสามตัวกําลังจ้องมาเหมือนจะเป็นการแผ่เมตตาให้แก่หล่อน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 ซ้ำยังไม่เป็นพิษเป็นภัยใดๆกระหล่อนเลยโผล่ออกมาปรากฏตัวอย่างแสนซื่อแสนเชื่องถ้าจะพิจารณาว่าเจ้าป่าส่งอาหารมาให้กะหล่อนก็ดูจะเป็นการคิดที่เข้าข้างตนเองมากเกินไปหล่อนจะต้องตายลงไปเสเดี๋ยวนี้ทีเดียวเหรอถ้ายังไม่มีอาหารตกถึงกระเพาะตอนนี้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 อันเป็นผลให้ตัวพ่อและแม่ต้องเดินช้าๆครึ่งขาดครึ่งต้าตามหลังลูกน้อยเข้ามาด้วยทีหลักเต้าบัดนี้หล่อนรู้แล้วกวางทั้งสามตัวต้องการจะเข้ามากินน้ำในแอง่งที่หล่อนได้อาศัยประทังชีพหยกหยกนี่เองและบัดนี้ตนเองก็มานั่งอยู่ริมแอง่งเหมือนจะ ก, กันท่ามันอยู่ ถ้าพวกเจ้าหิวน้ำและต้องการจะเข้ามากินที่แองนี่ก็เข้ามาเถอะมามะไอหนูเข้ามาเถอะฉันไม่เป็นพิษเป็นภัยใดๆกับพวกเจ้าหรอกหล่อนกระซิบแล้วค่อยๆ ค, คลานถอยห่าง<ม>เลี่ยงอ้อมไปนั่งหลบบังอยู่หลังก้อนหินอีกด้านหนึง่งขณะที่หล่อนเคลื่อนไหวอย่างแผ่วเบาโดยไม่กระทำอย่างพรวดพราก หรือกระโตกกระตากใดๆขึ้นเลยนั้นพวกนั้นมองดูอยู่ด้วยอาการเป็นปกติและให้ความไว้วางใจมากขึ้นจิงดังที่คิดไว้พอหล่อนถอนเปิดทางให้เท่านั้นทั้งสามตัวก็เดินตรงเข้ามาที่แอ่งน้ำนั่นทันทีก้มลงดื่มกินอย่างกระหายและอย่างไม่ระแวงระวังภัยใดๆอีกทั้งสิ้นถ้าไม่ใช่เพราะเมตตาจิต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 ดารินระบายลมหายใจยาวออกมาอย่างปีติและเป็นสุขเดี๋ยวนี้หล่อนไม่รู้สึกหิวโหวยอะไรเลยแหนหน้าขึ้นพึนพรรมพำกับท้องฟ้าเพราะเป็นเจ้าตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดเป็นพยานด้วยเธอเป็นพยานด้วยเธอนับแต่นี้เป็นต้นไป ถ้าไม่ใช่ความจําเป็นที่จะต้องป้องกันชีวิตของตนเองและผู้อื่นแล้วลูกจะไม่เบียดเบียนราวีต่อชีวิตของสัตว์อื่นใดอีกเลยขอสัญญาพยับแดดอ่อนโรยลงเพราะเมฆครึ้มหมู่ใหญ่เข้ามาบางังล่อนนั่งฟังเสียงกวางทั้งสามตัวพ่อแม่ลูกดื่ม น, น้ำในแอ่งเบื้องหลังใกล้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 คุณพระช่วยกวางทั้งสามตัวตัวผู้หนึ่งตัวเมียหนึ่งและลูกน้อยน่ารักอีกหนึ่งอันตรธานไปซะแล้วยังปราศจากร่องรอยใดๆทั้งสิน้นมันไม่น่าจะรวดเร็วถึงขนาดนั้นและเป็นไปไม่ได้ที่กวางทั้งสามจะย่องพผ่าจากไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยหรือเสียงของการเดิน ค้นจาักการได้ยินของหล่อนอย่างเด็ดขาดเพราะบริเวณนั้นจับได้ว่าเป็นที่โล่งและพื้นก็เป็นกรวดขามาหล่อนยังได้ยินเสียงเดินของพวกมันก็ชไหนขากลับจึงจะไม่ได้ยินเสียงแล้วดารินทะลันพรวดขึ้นแล่นทะล้าออกมายังแอ่งน้านั้นทันที ไม่มีวี่แววของกวางทั้งสามตัวนั่นเลยจนนิดเดียวไม่มีแม้แต่รอยเท้าหรือร่องรอยว่าจะมีอะไรมาดื่มกินน้ำที่แอ่งน้ำนั้นดารินยืนตะลงังตะลึงจังงังไปอีกครั้งอะไรกันนี่หลอนอุทานถามตนเองกับพริบตาปริบ ป, ปริบพราก็ขนลุกขนชันทั้งกาย อาถันของป่าดุร้ายเล่นงานหลอนเข้าอีกแล้วหรือนี่กว่าตาตรวจดูทีท่วนรอบๆ บ, บริเวณมันไม่มีสั ญ, ญลักษณ์ใดๆของกวางสามตัวพ่อแม่ลูกที่หลอนเห็นหลับๆชัดๆตาเมื่ออึดใจใหญ่ๆที่แล้วนี่เลยถามกลางแสงทิวาการออกสว่างสวัยปราศจากมุมอับเงาสลัวอันน่าจะวินิจฉัยได้ ว่าตาของตอนเองจะฝาดไปอะไรมาหลอกหลอนอีกแล้วกระมังแต่ใครควรวนแล้วภาพและลักษณะที่เห็นมันส่อไปในทางดีงามมากกว่าที่จะเป็นไปในทางเลวร้ายภาพของสัตว์น่ารักภาพของการเคลื่อนเข้ามาเพื่ออาศัยน้ำกินของมันแล้วหล่อนก็หลีกทางให้ พร้อมทั้งให้ความเมตตาเอนดูโดยไม่เอาชีวิตทั้งทั้งที่ตัวเองก็ยังอยู่ในภาวะที่จะต้องยั่งชีพมันน่าจะเป็นนิมิตหมายแห่งความดีงามซะมากกว่าทางร้ายมันเป็นการวัดสภาพของดวงจิตหลอนว่าจะเลือกไปในทางไหนเข็นฆ่าราวีหรือว่าแผ่เมตตาไว้ชีวิตให้พร้อมทั้งเอื้อเฟื้อสัตว์ร่วมโลก ผู้กำลังกระหายน้ำด้วยมันเป็นคน ล, ลักษณะกับภาพจำแรงกายของเสือสมิงที่หลอนสังหารมาแล้วชนิดเป็นตรงข้ามหลอนไม่มีใครที่จะหันไปปรับทุกปรึกษาหารือได้ทั้งสิ้นในยามนี้มีก็แต่สติปัญญาของตนเองตามลำพังโดดเดี่ยวเท่านั้นที่จะนำเข้ามาใช้ทั้งหมด ลมพัดโชยมาอีกครั้งสัมผัสผิวกายเย็นสบายขึ้นอย่างประหลาดดารินเริ่มมีพลังจิตที่มั่นคงแข็งแกร่งขึ้นมาอีกครั้งค่อยๆพิจารณาหาลูกทางต่อไปโดยเหลียวสังเกตภูมิประเทศไปรอบๆตัวพอหันมาทางด้านซ้ายอันมีลักษณะพงละม่อที่เอียงเทสูงขึ้นไป ดารินถึงกับจ้องจังงังไปอีกครั้งห่างออกไปราวห้าสิบเมตรเห็นเด่นชัดในสายตาอีกเช่นเดิมท่ามกลางลำแสงตะวันบ่ายที่พ้นกรีบเมฆออกมาร่างหนึ่งกำลังเดินดุมดุมหันด้านหลังให้กระหน่บยหน้าขึ้นไปยังละเมอที่เห็นอยู่นั้น สิ่งที่เห็นเด่นชัดที่สุดก็เพราะสีเหลืองสดใสของภาคาสาวะพัดที่ครองอยู่บนร่างที่ข้อมลงเล็กน้อยด้วยไวยชาราภาพนั่นคือภาพของภิกษุชราเหมือนอย่างที่หลอนเห็นในวัดตามเมืองและในกรุงทั่วทั่วไปหาใช่พวกนิกายอรั ญ, ญวาสีที่ใช้จีวรย้อมฝาดแบบพระธุดงไหม และภิกษุรูปนั้นก็ไม่ได้มีกรดไม่ได้สภายยากหรือมีอัถบริขารใดๆติดตัวอยู่ด้วยทั้งสิ้นดูเหมือนจะมีก็แต่ไม้เท้าที่ทำยันเดินไปอย่างช้าๆเท่านั้นกลางป่าใหญ่ไพรกันดานพระภิกษุนิกายคามาวาสีที่ไหนจะมาเดินดุมๆอยู่นั่น ดารินกลั้นใจจ้องแล้วจ้องอีกก็ยังเห็นท่านดุมเดินหันหลังให้อยู่เช่นนั้นทิศทางบายไปยังละเมอเบื้องบนหล่อนป้องปากตะโกนสุดเสียงพระคุณเจ้ารอลูกด้วยพระคุณเจ้ารอลูก เสียงนั้นก้องไปทางป่ามีเสียงเท่าไรก็แผดออกไปเท่านั้นพลางราชสกุลสาวผู้หลงป่าก็ออกแล่นตามหลังภิกษุลึกลับองนั้นไปอย่างรวดเร็วหลอนวิ่งไปพลางร้องเรียกซ้ำซ้ำไปพลางลักษณะของสงฆ์ชาาผู้ถือไม้เท้ารูปนั้นไม่แสดงท่าว่ายินยนต่อเสียงร้องเรียกของหลอนเลย ท่านคงเดินไปในอาการเดิมดารินแล่นตามพยายามเร่งฝีเท้าให้เร็วที่สุดแต่ไม่ว่าหล่อนจะออกแรงวิ่งเร็วสักขนาดไหนและท่านจะเดินอันดูว่าชาเช่นไรสภาพของการเว้นห่างก็ยังรักษาระยะทางอยู่เท่าเดิมหรือประมาณห0สเมตรหาได้ใกล้เข้าไปกว่านั้นไหม หล่อนวิ่งวิ่งวิ่งตามพระชั่วไม่นานนักจากการวิ่งตามนั้นหล่อนก็บรรลุถึงปลายเนินตอนหนึ่งเห็นภิกษุรูปนั้นเดินนำเข้าไปในละเมะส่วนหนึ่งพร้อมกับถูกบังหายไปในแมกไม้อันปกคลุมอยู่ ดาริงกวดตามต่อไปอย่างไม่ลดละจนกระทั่งในที่สุดก็มาหมดแรงสุดตัวลงนั่งหอบจนตัวโยนอยู่ในดงกล้วยป่าที่ออกเครือดกดิบบ้างสุกบ้างเหลืองสลับเขียวเต็มสะพรึบลานตาไปหมดมีนกป่าสวยๆหลากสีจิกกินผลกล้วยสุกจากเครือเหล่านั้น ส่งเสียงร้องเจียวเจ้าและบินว่อนแต่ฝูงวิหกนกไพรที่อาศัยผลไม้เป็นอาหารเหล่านั้นไม่ได้สนใจหรือหวาดกลัวต่อหล่อนเลยขณะที่นั่งหอบเงือโสมกายดารินยกมือกุมขมับลอนผิดหวังอีกตามเคยเพราะพิกสุชารารูปนั้นหายไปซะแล้วไม่มีร่องรอยอีกเช่นกัน สภาพพื้นดินชุ่มชื้นจะค้นหารอยเท้าของท่านสักรอยก็ไม่เห็นระหว่างที่ครึ่งนั่งครึ่งนอนพิงโคนกอกล้วยป่ากอหนึง่งหล่อนรู้สึกร้อนวูบขึ้นที่ผิวเนื้อในซอกร่องถันจึงเอามือตะปบลูบคลำสัมผัสจากมือที่แตะลงไปนั้นพบกับกรอบของพระที่ห้อยคอยอยู่สององค์ องเล็กคือหลวงพ่อวัดปากน้าส่วนองเื่งขึ้นมนิดคือสมเด็จวัดระกังส่วนอีกองหนึ่งคือหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้หล่อนจำได้ว่าได้ถอดออกอาราธนาผูกติดมอบไว้กระคอของเจ้าด้วนช้างป่าผู้เป็นมิตรและในขณะนี้มันจะได้พลัดพรากหายจากหล่อนไป นับตั้งแต่คืนมาหยุดพักอยู่ใต้ชะง่อนเขาน้ำตกใหญ่จนเป็นปริศนาอยู่บัดนี้ว่าเจ้าด้วนหายไปไหนอะไรชนิดหนึ่งวูบขึ้นกลางสมองของหล่อนในบัดนั้นพร้อมกันขนทุกเส้นในเรือนกายก็โชนชันขึ้นมาอีกด้วยความตื่นเต้นปิติใจเหลือที่จะกล่าวได้ใช่แล้วไม่มีใครอื่นที่ไหน ภิกษุชราที่เดินให้เห็นนำหน้าหล่อนจนเข้ามาพบกระดงกล้วยขนาดใหญ่อันแฝงซ่อนอยู่ภายในละเมอะไม้แห่งนี้ก็คือดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของสมเด็จพุท ธ, ธาจานโตพรหมรังสีนั่นเองถึงแม้หล่อนจะไม่เคยเห็นท่านมาก่อนเพราะเกิดกันคนละยุคสมัยและถึงแม้หล่อนจะมองเห็นท่านแต่ไกลทางเบื้องหลังอันเป็นผลให้วิ่งตามมา แต่จากภาพวาดภาพปั้นจำลองที่หลอนมองเห็นจนคู้ตาหลอนจำลักษณะของท่านได้ภิกษุชราหลังค่อมถือไม้เท้าองค์นั้นตะโกนเรียกท่านไม่หันกลับวิ่งไล่ก็ไล่ท่านไม่ทันแต่ผลจากการติดตามท่านมาหลอนก็ได้มาพบกระดงกล้วยสุกอารามไปทั้งดง อันจะเป็นอาหารให้ประทังชีพได้ในขณะนี้ก็จะอะไรซะอีกถ้าไม่ใช่เพราะท่านปาฏิหาริย์สำแดงอิทธิฤทธิ์เข้ามาโอบอุ้มไว้ดารินกายสั่นเทิมไออุ่นร้อนเผาจากองค์พระที่ห้อยคออยู่อันเหมือนจะแก้สงสยัยหรือมาเตือนให้หล่อนทราบค่อยๆลดลงสู่สภาพปกติ ราชาสกุลสาวกุมพระที่ห้อยคอไว้แน่นแล้วค่อยๆประคองขึ้นจบเหนือศีรษะโดยดึงจากสร้อยที่ยังคล้องติดคออยู่บูชาแล้วกราบราบลงกับพื้นดินหลวงพ่อช่วยลูกแล้วเห็นถนัดชัดเจนเหลือเกินในครั้งนี้หลวงพ่อช่วยลูกแล้วหลว่อนพร่ำพูดออกมาคนเดียว เหมือนจะพูดกับแม่พระธรณีที่ใบหน้าซกอยู่หวนระลึกย้อนไปถึงภาพกวางสามตัวพ่อแม่ลูกที่มีปรากฏการณ์แปลกประหลาดลึกลับลอนพอจะประมวล น, นันการได้แล้วนั่นอาจจะเป็นภาพมายาที่สําแดงขึ้นเพื่อเป็นการหลองใจหล่อนอย่างแน่นอนชิงว่าหล่อนจะโหดเที่ยมถึงกระยิงกวางครอบครัวนั้น เพื่อเอาไปนาอาหารหรือไม่ถ้าหล่อนยิงยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่ามันจะเกิดผลไปในทํานองไหนกวางทั้งสามอาจจะหายวัดไปกะตาและหล่อนก็จะไม่มีโอกาสเห็นแม้แต่ชายจีวรสาวกของพระอริยเจ้าอีกเลยก็ได้แล้วก็คงจะหลงป่าอดตายภายในเวลาอันไม่ชานีนะ แต่เมื่อหล่อนมีดวงจิตอันเป็นกุศลปราถนาดีเมตตาต่อสัตว์โลกผู้ปราศจากพิษภัยใดๆท่านจึงสำแดงปาฏิหาริ์เข้ามาช่วยขวัญและกำลังใจของหล่อนบัดนี้เต็มเปี่ยมแล้วณนะที่ใดอย่างไรดวงใจของหล่อนจะไม่หวั่นไหวอีกต่อไปไม่หวั่นไหวจริงๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพลังลึกลับ ขอช่วยเหลือหล่อนอยู่ตลอดเวลายังไม่มีอะไรจะต้องสงสัยอีกต่อไปภายหลังนั่งพักตรึกนึกจนคลายความเหนื่อยแล้วราชสกุลสาวก็ชักมีดโบวีประจำตัวออกมาตัดเครือกล้วยป่าอันสุกอรารามอยู่รอบตัวนั้นมันอุดมสมบูรณ์เหลือเกินแต่ละเครือห้อยแทบจะเรียกดินไม่ต้องขย ე อร์ขย่งให้เสียเวลา หล่อนได้อาหารแล้วหล่อนรอตายชั่วขณะแล้วโดยไม่ต้องยิงสัตว์มาเป็นอาหารซ้ํำยังมีน้ําจากกระบอกไม้ไผ่ที่สะพายไหล่สํารองมาอีกกระบอกหนึ่งปริมาณของน้ําที่บรรจุอยู่มันมากกว่ากระติกน้ําที่เคยติดประจําตัวซะอีกขณะที่หล่อนนั่งกินกล้วยซึ่งไม่คํานึงถึงว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงขอเพียงให้บรรเทาความหิวและสร้างพลังงานให้กับร่างกาย รนหัวเราะออกมาเบาๆเอยเหมือนเขาผู้นั้นมันนั่งอยู่ตรงหน้าว่ะระพินนี่ใช่ไหมที่เธอเคยบอกกับฉันตลอดเวลาว่าข้าวลิงสําหรับคนที่เดินหรือหลงป่าขณะนี้ฉันกําลังกินข้าวลิงอยู่แล้วเธอละ่ะกําลังกินอะไรหวังว่าคงไม่ใช่เนื้อนุ่มๆของแม่สองสาวสวยน่ะนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะช่วยฉันแต่ท่านไม่เคยบอกให้ฉันรู้เลย ว่าขนาดนี้น่ะเธออยู่ที่ไหนและอนาคตเบื้องหน้าจะเป็นยังไงบัดนี้หล่อนนั่งเหยียดขาราบกับพื้นตามสบายโดยใช้ใบตองตัดมาปูพื้นหลังเอ็นพิงโคนกล้วยยังไม่มีความคิดที่จะหาทางเคลื่อนไหวไปที่ไหนก่อนทั้งสิน้นตะวันบ่ายอ่อนชายลงตามลำดับสถานที่แวดล้อมรอบกายหล่อนขนาดนี้ก็น่าจะรื่นรม หนาพักอาศัยอยู่มากที่สุดแล้วในละแวกนี้ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา้าสะบักสะบอมจากการสุมซานมาตลอดทำให้หนังตาเริ่มหนักอยากพักผ่อนเต็มที่ดื่มน้ำภายหลังกินกล้วยป่าเข้าไปเกือบหมดหวีหล่อนสุบุรียังพยายามทอดอารมณ์ทำจิตใจให้สงบปกติสบายที่สุดตาเมือมองออกไปยังฝูงนกสวยงามหลากสี ที่เปรียบเสมือนเพื่อนร่วมโลกเปลี่ยวของหล่อนในยามนี้แล้วทอดจับนิ่งไปยังนกโนรีสีแดงสดคู่หนึ่งที่จับอยู่บนเครือกล้วยสุกห่างออกไปเบื้องหน้าเพียงเล็กน้อยมันกําลังจะเอาจะ ง, งอยปากลักษณะเดียวกับปากนกแก้วไซ้ขนคลอเคลียกันอยู่พลางสะท้อนถอนใจหมวนวิหกนกป่าเหล่านั้น ดูช่างมีชีวิตอิสระเสรีและมีความสุขเหลือเกินผิดกระตัวหล่อนเองในยามนี้เหลือประมาณเพราะหลงโดดเดียวอยู่เพียงเดียวใดดวงตารีลงโดยไม่รู้สึกตัวในลักษณะเข้าผวังเหมือนจะหลับมิหลับแหล่โสตก็แววเสียงแสกสากมากระพื้นใบกล้วยแห้งที่ลนอยู่เกลื่อนตา มันเคลื่อนเข้ามาอย่างช้าๆแต่รอบตัวไปหมดหญิงสาวเบิกตาสว่างขึ้นอีกครั้งแต่คงนั่งไม่ติงกายอยู่ในอาการเดิมหูตาและประสาทสัมผัสทั้งหมดเปิดพร้อมอยากจะคิดว่าภาพที่ปรากฏกับคลองจักสุในขณะนี้เป็นภาพมายาลวงตาอีกแต่มันก็เป็นภาพที่ถ้าควบคุมสติไม่ดีพอ หัวใจก็แทบจะวายดับไปนะบัตรนั้นท่อนดำๆยาวๆนับจำนวนไม่ทันและไม่ท่วนเคลื่อนเลี้ยวลดแช่มช้าออกมาจากทุกทิศทางของโคนดงกล้วยแวดล้อมรอบตัวหล่อนดูจะมีเจตนาเบนบ่ายหน้ามายังตำแหน่งที่หล่อนกึ่งนั่งกึ่งนอนเหยียดเท้าอยู่ในขณะนี้ ไม่ว่าจะหันไปทางไหนมันโผลออกมาทุกด้านเกร็ดบนลำตัวของมันพวกนั้นเป็นมันปลาบบ้างก็ดำสนิทบ้างก็ออกสีน้ำตาลเข้มหรือสีเทาแต่ทุกตัวมีดอกจันอยู่บนคอขนาดของแตละตัวอย่างย่อมที่สุดก็เกือบเท่าข้อมือหล่อนแล้วยาวร่วมวาขึ้นไปจนถึงขนาดน่อง ซึ่งน่าจะเป็นพวกจงอางดาลินกลั้นลมหายใจนิ่งโดยไม่กระดุกกระดิกไอ้ตัวใหญ่ๆบัตรนี้ชูคอขึ้นแล้วดูเหมือนจะสูงกว่าระดับศีรษะของหลอนสะอีกปลายลิ้นสองแฉกแลบอยู่แปแปลบหันหัวมาทางหลอนซึ่งห่างกันเพียงแค่ระยะที่มันจะฟาดลงฉกเท่านั้น อาการของพวกมันมิได้อยู่ในลักษณะที่เคลื่อนไหวยกพลผ่านมาเฉยๆโดยบังเอิญหรือว่าเห็นหล่อนเป็นเพียงท่อนไม้ท่อนหินที่ปราศจากชีวิตไหมหากแต่มันแสดงความสนใจและมีความรู้สึกแน่ชัดว่าหล่อนเป็นสัตว์มีชีวิตอันสมควรจะตกเป็นเหยื่อคมเคี้ยวและน้ำพิษของมัน เลือดในกายแทบจะจับเป็นก้อนแข็งบางสิ่งบางอย่างอันแน่นขึ้นมาถึงคอหอยหายใจไม่ออกอย่าว่าแต่จะฉกกัดเลยเพียงแค่ตละตัวที่เลื้อยออกมาเต็มไปหมดราวกระบอก ง, งูแตกเหล่านั้นเข้ามารัดพันหลอนร่างกายของหลอนก็คงถูกพวกมันพันกลบมิดชิดหมดแล้ว แต่ละตุกของชีพจรอันเต้นแผวโผยอยู่ขณะ น, นี้ตัวแล้วตัวเล่าของอสรพิษเหล่านั้นเข้ามาชูจะหวักแผ่แม่เบี้ยรอบด้านเต็มไปหมดไม่ว่าทางด้านปลายเท้าที่เหยียดยื่นออกไปลำขาหรือแขนแม้กระทั่งกอกล้วยที่หลอนั่งเอ็นกายพิงอยู่ ก็ดูเหมือนว่ามีจำนวนหนึ่งเลื้อยขึ้นไปทันร่อนสายหัวส่งเสียงขูฟูฟออยู่ใกล้ศีรษะและก้านคอด้านหลังหญิงสาวผู้ตกอยู่ในสภาพลำเคนยากแค้นที่สุดในชีวิตนับแต่เกิดกายมาบัดนี้ปรงตกทอดอะไรต่อชีวิต หมดสิ้นความวิตกหวาดกลัวใดๆอีกทั้งสิ้นตาแลจับไปยังจงอ่างใหญ่ที่สุดอันนำบริเวณจำนวนมากมายนั้นเข้ามารายล้อมหล่อนไว้แล้วตัวมันเองก็ชูคอพังงาดอยู่เบื้องหน้าหล่อนยิ้มให้เศร้าๆส่งกระแสจิตบอกความไปว่า ข้าแต่พญานาคีผู้เรืองฤทธิ์ถึงแม้ว่าเราเคยมีเวรกรรมใดๆต่อพวกท่านมาก่อนทั้งชาตินี้และอดีตชาติบัดนี้ก็ถึงคราวที่เราจะต้องชดใช้กรรมนะ้เชิญเเชิญกระชากเอาชีพชนของเราไปซะเราไม่คิดที่จะต่อสู้ทำร้ายตอบโต้พวกท่าน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 รอมทุกข์จนสุดที่จะทนทานต่อไปได้อีกแล้วจบสิ้นํำอธิษฐานนั้นจงอังใหญ่ที่สุดในกลุงก็ชกควัดผมเขี่ยวห่างจากใบหน้าของลอนแค่องคุลีเดียวดารินหลับตาลงกระซิบวิงวอน ยังเลยท่านยังเลยขมเขี่ยวของท่านยังไม่ถูกเราขอให้ชกอีกครั้งเถอะเข้ามาใกล้อีกนิ ด, น ด, นดเมื่อเปลือกตาปิดลงก็เปรียบเสมือนม่านแห่งการมองเห็นด้วยระบบจกักษุิมีก็แต่ความมืดมิดเท่านั้นที่เข้ามาบดบังไว้ แล้วในความมืดมิดอันดำสนิทนะั้นดารินก็เห็นเห็นวงแสงแดงแสดสว่างจ้าหมุนร่อนพลิกตัวอยู่ไปมาจากจุดเล็กๆอันไกลแสนไกลลอยใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาตามลำดับเหมือนตะไลเพลิง หรือมิฉะนั้นก็เป็นวงแสงที่จิตตกรใช้ปลายผู้กันป้ายเป็นวงซ้อนๆกันไว้ด้วยสีร้อนแรงในลักษณะของภาพเขียนอันเป็นแอ็บสเตรตกระทั่งมันมาสว่างสะพร่างเ้าอยู่เบื้องหน้าของหล่อนนี่คือสั ญ, ญลักษณ์แห่งความตายกระมังหล่อนคิดขณะจิตเดียว ที่วงแสงประหลาดอันหลอนเห็นขนาเปลือกตายังปิดอยู่นั้นพันลักษณะของรัศมีประหลาดก็ม้วนเป็นเกลียวเส้นดิ่งอยู่เบื้องหน้าเหมือนไฟที่พวยพุ่งขึ้นมาจากพื้นดินจากนั้นก็ค่อยๆแปลสภาพเป็นรูปลักษ์ของสตรีนางหนึ่งผู้มีผิวกายแดงเรือประดุดสีหม้อใหม่สงอาพรและถนิมพิมพาเครื่องประดับ เยี่ยงนางกษัตริย์ในจินตนยายตาาพิษทับสวงทองกรดวงกุดันรัด ก, กล้าวล้วนแล้วไปด้วยเพชรนินกินดาอันญมณีหลากสีโดยเฉพาะเหนือเสียนอัญเชิดเด่นเป็นสง่าระดับไว้ด้วยมงกุฎเพชรเก็ดแกมสลับทับทิมและมรกฏเป็นรูปหน้าคาราชสองเสียน ไข่มารัดพันแพรพังพานอยู่ด้านหน้าเกศของนางดำคลับเป็นมันเลื่อมราวขนกาน้ำยาวสยายเฉพาะรูปทรงองคอ์ อ, อนและวงพักรางามผุดผาดเกินนางมนุษย์หรือแม้แต่ในภาพวาดจากจินตนาการของจิตรกรใดในพิภพโลกร่างนั้นแรกเริ่มง ก็แผ่วจางก่อนแล้วก็ค่อยๆเด่นชัดขึ้นชัดขึ้นตามลำดับอย่างรวดเร็วจนสามารถเห็นถนัดทุกส่วนสัตว์รอบกายที่ยืนอยู่ก็ปรากฏแสงเรืองรองวาววามจากรังสีประหลาดที่แผ่ออกมาจากเรือนกายก่อนทั้งสองที่ล้วนประดับด้วยกำไลทองแกมทับทิมเป็นรูปงูยกขึ้นกอดอุระ และโอดรูปงามมีรอยแย้มสวนน้อยๆเห็นไรทนได้ระเบียบขาวสะอาดมีเขี้ยวเล็กแหลมๆเก๋ อ, อยู่ทั้งสองข้างดารินลืมตาในบัตรนั้นภาพที่เห็นภายใต้เปลือกตาสลายวับกลายสภาพเป็นกองทับอสรพิษที่ชูคอสลอนทําท่าจะฉกกัดนลอนอยู่เช่นเดิมหลอนหลับตาลงอีก ภาพสตรีงามประหลาดนางนั้นก็พลันปรากฏขึ้นอีกในสภาพเดิมเป็นภาพที่สวยงามที่สุดก่อนมรณการของฉันดารินพึ้พรงนางผู้มีมงกุฎหน้าคราดอยู่เหนือเสียงแย้มโอดกว้างออกไปอีกแล้วเสียงปลาัยกังวานก็แววมาเป็นประโยคแรก อาอรพิษร้ายแวดล้อมอยู่รอบกายเธอณบัดนี้เหตุใดเธอจึงไม่คิดสู้ลีกลบหรืออย่างน้อยก็หาทางผละหนีแล้วดารินสันศีสะัะไม่หรอกปล่อยพวกเขารุมฉกกัดฉันเถอะฉันพร้อมแล้วพร้อมที่จะชดใช้กรรม ดูเธอท้อแท้ทอดอะไรแล้วก็สิ้นหวังเหลือเกินนะแม่สาวน้อยใช่ฉันสิ้นหวังฉันหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจะขอชีวิตจากฉันไหมจะขอชีวิตไหมดารินสันศีศักแช่มช้าอีกครั้ง ไม่ละไม่ขอชีวิตถ้าจะขอชีวิ ต, วตก็ขอชีวิตของระพินไว้เธอแต่สำหรับฉันไม่ก็แปลว่าเธอยอมตายแทนเขาได้ไดไดแน่เหรอแน่จิตกลางคน า, าเธอยังดื้อรั้นถือดีอยู่เหมือนเดิมนะ อย่าเรียกฉันอย่างไอผีนรกตนนั้นสิฉันคือดารินวราฤทธิ์ฉันไม่ใช่จิตรรางคนา น, นี่จะปฏิเสธในอดีตชาติยังงั้นเหรอจิตรรางคนานฉันปฏิเสธไม่รับรู้อะไรด้วยทางนั้นไม่ไว้ชีวิตฉันจะแตกดับไปเดี๋ยวนี้นี่ สาวน้อยเธอไม่รู้หรอกหรอว่ามิจฉาทิศผีนนเป็นบอกเกิดแห่งอวิชชาโงกเขลาเบาปัญญาแล้วก็มันก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรให้แกเธอได้เลยนะประแสเสียงนั้นกล่าวมาอย่างอ่อนโยนดารินเฉยซะไม่มีคาตอบนางจึงอื้นเอืยต่อไป นี่สาวน้อ ย, วอยความจริงเธอก็รู้ตัวเธอเองดีนี่ว่าเธอคือใครและเขาผู้นั้นคือใครแต่เธอก็พยายามจะปฏิเสธซึ่งเท่ากับเป็นการเปิดโอกาสให้แก่อริศัตรูเก่าของเธอมากขึ้นการยอมรับรู้ในอดีตย่อมจะช่วยให้เกิดสติปัญญาในอันที่จะระมัด ร, ระวังตน แก้ไขป้องกันได้ถูกต้องเอาละเธอปฏิเสธในความเป็นจิตรางคนาซึ่งเป็นบอกเกิดแห่งวิบากกรรมในครั้งนี้แต่ถ้าฉันจะบอกว่าขณะนี้อคินิรุธกำลังตกอยู่ในเงื่อมเงาภัยขีดสุดของมันไรละ่ะจะรู้สึกยังไง ดารินสัดุ้งผวาตายสันระล่ำระละักโอ้ไดิโปรดเโปรดช่วยเขาด้วยป้องกันเขาไว้ด้วยเถิดขอยเคราะกรรมวิบัติภัยเหล่านั้นมาสู่ตัวหม่อมฉันจะเองดีกว่ามหาเทวีโปรดเโปรดเกื้อกูลขันจุนเขาไว้ด้วยเถิดหม่อมฉันขอกราบแทบเบื้องพระบาทพร้อมกันนั้น ดารินก็ผันกายจากท่าครึ่งนั่งครึ่งนอนอันหมดอาลัยตายอยากต่อทุกสิ่งแม้แต่ชีวิตของตนเองมาเป็นคุกเข่ามอบกราบลงไปกับพื้นตรงบาดของนางผู้นั้นสตรีงามผู้มีนาคราชเป็นมงกุฎสวนแผวเบาๆเห็นไหมในที่สุดเธอก็ยอมรับแล้วต่ออดีตชาติ ทั้งของตัวเธอเองและชายอันเป็นที่รักแล้วก็รู้จักฉันดีด้วยเว้นแต่จะแสร้งทำเป็นไม่รู้จักบอกฉันมาสิจิตรางคณาที่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอเดี๋ยวนี้น่ะคือใครหรือยังจะทำเป็นไม่รู้จักอีกหม่อมฉันกราบขอประธานภัยไปคะ ฝาพระบาทคือนาคาเทวีราชธิดาแห่งบาดาลเพคะแต่เธอก็มินชาเหมือนเฉยเมินเฉยต่อฉันเหลือเกินนะซ้ำยังทา้าทายซะอีกทั้งทั้งที่ฉันก็สำแดงร่างให้เห็นมันเป็นนิมิตที่ดีสำหรับเธอไม่ใช่นิมิตร้ายเลยและฉันก็เพียงแต่ทดสอบความกล้าหาญของเธอเท่านั้น ที่ให้บริวารเข้ามาแสดงท่าประสงค์ร้ายต่อเธอเช่น ท, ที่เห็นขอประธานอภัยไปคะใจะให้หม่อมชั้นกราบเบื้องพระบาทขอประธานอภัยสักกี่ครั้งก็ยอมแล้วหม่อมชั้นอ่อนระอาต่อความทุกข์ลำเค็นรันทดใจเสียใจไม่สนใจใหดีต่ออะไรทั้งสิ้นได้โปรดเถอเพคะโปรด โปดช่วยอักขันิรุตไว้ด้วยเถิดขอให้เขาได้รอดปลอดภัยเถิดส่วนตัวหม่อมฉันเองจะเป็นยังไงก็สุดแล้วแต่เวรกรรมหม่อมฉันไม่ได้หวังอะไรแล้วหวังแต่เพียงให้เขามีชีวิตรอดจากวิบากกรรมเท่านั้นและก็อย่างที่กราบทูลแล้วแม้จะต้องเอาชีวิตตนเองเข้าแลกก็ยอมเพคะ หล่อนคร่ำครวญร้องไห้และกราบกลานอยู่เช่นนั้นจิตราคณา ง, างฉันไม่อาจรับปากกับเธอได้ว่าฉันจะช่วยอัคานิรุธหรือตัวเธอเองได้สักแค่ไหนแต่ก็ได้ติดตามเฝ้าดูมาทุกระยะแล้วอาจได้กระทำการอันเป็นคุณประโยชน์แก่ฝ่ายอัคานิรุธและฝ่ายเธอมาบ้างแล้ว แม้จะไม่ใช่ทางตรงก็ทางอ้อมภายในขอบเขตที่ฉันจะทำได้โดยไม่ให้ล้ำเส้นแบ่งชั้นจักรวาลเสียงเนิบช้าดังมาได้ระดับเสมอกันมันไรนะเป็นพยามาลเป็นตัวแทนแห่งความชั่วร้ายและเมื่อยังไม่ถึงเวลาอันควร ก็ไม่มีสิ่งใดจะไปทำลายล้างเขาได้เช่นกันวิบากกรรมที่จะต้องมาจองเวรกันในครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากบรรพชาติปางก่อนส่วนเธอกับอัคนิรุธที่หวนกลับมาเกิดร่วมกันในพบนี้ก็มีสัจจญาและความรักอันแน่วแน่ซื่อตรงต่อกันเป็นกราะ บ, บ้องตัว รวมทั้งได้ชดใช้กรรมกันมาหลายชาติพบแล้วฉันไม่อยู่ในฐานะที่จะบอกอะไรกับเธออันชี้บ่งถึงอนาคตได้มากกว่านี้แต่ขอให้เธอมีความมั่นใจเถิดว่าพระอรหันตเจ้าทุกพระองค์ประทับทรงแวดล้อมรอบกายประดุดกงจักจรหมุนวนเป็นกำแพงป้องภัยอยู่ทุกขณะ ขอให้มันสวดมนต์ภาวนาระลึกถึงท่านไว้เุกทุทพึงประพฤติในสิ่งที่ควรประพฤติพึงละเว้นในสิ่งที่ควรละเว้นเหมือนอย่างที่เธอได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้แล้วในการเดินทางมาในครั้งนี้ประทรมจิตให้สะอาดบริสุทธิ์เข้าไว้จะไม่มีสิ่งใดมาทำอันตรายเธอได้หรอก แม้จะดูว่าหน้าหวาดเสียวชวนกริ่งเกรงสักเพียงใดข้อสัมพันธ์อย่าท้อแท้สิ้นหวังอย่าประมาทและใช้สติปัญญาเข้าใครควรให้รอบคอบที่สุดเอาล่ะฉันมาบอกเล่าเธอเพียงแค่นี้ฉันไปก่อนแล้วนะรักษาตัวให้ดี จบกระแสสั่งความอันคล้ายโอวาดเพียงเท่านั้นดารินก็สะดุ้งเหมือนตื่นขึ้นจากห้วงสะกดหน้าและฝ่ามือของหล่อนยังกราบราบอยู่กับพื้นดินแสงสว่างของทิวาการยังพอจะมองเห็นอะไรต่ออะไรอยู่ชัดเจนพอสมควรในปากล้วยนั้นแต่รอบตัวของหล่อนคือความว่างเปล่า ไม่มีสตรีงามผู้ทรงมงกุฎหน้าคราชนางนั้นไม่มีแม้แต่อสรพิษร้ายที่หลอนเคยมองเห็นยัวเยียอยู่รอบกายแม้สักตัวเดียวมันอันตรธานไปหมดเหมือนภาพฝันซึ่งสลายตัวยามตื่นขึ้นหล่อนเหลียวไปรอบๆมือทั้งสองยกขึ้นรูปหน้าแล้วปิดที่ริมฝีปาก กำลังวังชาอันอ่อนเปลี้ยกลับคืนมาอีกครั้งและความง่วงอยากจะพักผ่อนอยู่ณที่นี่หายไปเป็นปลิทิงจากลำแสงของตะวันบ่งชัดว่าใกล้สุนทยาเข้ามาทุกทีแล้วหล่อนจะต้องทำอะไรสักอย่างไม่ใช่มานั่งทอดอะไรอยู่ในดงกล้วยแห่งนี้เพราะอีกไม่นานแสงตะวันก็จะหมดสิ่งไป และเมื่อความมืดหรือราตรีการย่างเข้ามาพร้อมกับความหนาวเย็นนั่นมันหมายถึงภาวะอันทารุณของหล่อนที่จะต้องเผชิญสำหยังอันตรายจากสัตว์ ร, ร้ายที่ยังเดาไม่ถูกสารพัดแม้จะแน่ใจว่ามันจะไม่มาจากงูหรือสัตว์อันมีเขี้ยวเป็นพิษก็ตาม 1น5่บณบัดนี้ความรู้ความชำนาญในการยังชีพในป่าอันได้รับการฝึกสอนปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยยังเดินป่าโชคโชนูนอยู่กับประพินไพยวันถูกทบทวนอีกครั้งมันถึงเวลาแล้วที่หล่อนจะใช้ประสบการณ์ความชำนาญเหล่านั้นจนสุดฝีมือกระบอกน้ำหนึ่งกระบอก ก้วยสุบอีกสองหวีเผื่อไว้เป็นสเสบียงไม้ปลายแหลมที่ทําไว้และติด ม, มืออยู่ก่อนแล้วดารินวราฤทธิ์ลุกขึ้นในฉับพลันหล่อนจะต้องแสวงหาที่พักนอนอันปลอดภัยที่สุดก่อนแสงสว่างของทิวากาลจะสิ้นไปและจะต้องเดินสำรวจไปอย่างมีหลักเกณฑ์ข้อพึงควรพิจารณามากที่สุดไม่ใช่ไปอย่างกระเสาะกระเซิงสมสารไร้จุดหมาย ถึงเวลาที่หล่อนจะต้องทำตัวเองให้เป็นพรานพลายไปอย่างแท้จริงแล้วอย่าทิ้งกองไฟเมื่อนอนอยู่ในป่าคำเตือนของครูพรานหรืออีกนายหนึ่งชายคนที่หล่อนมีเวรกรรมที่จะต้องมาผูกจิตผูกใจอยู่กับเขาในชาตินี้แววขึ้นในสมองนั่นมันเป็นเพียงแค่หนึ่งในจำนวนนับร้อยร้อยวิธีการที่เขาฝึกปลืออบรมหล่อนมา ดารินเดินเลาะลัดทวนแสงตะวันใกล้จะรับยอดไม้ในดงใหญ่ที่เห็นทึบทมึนอยู่ทางด้านตะวันตกมิชามินานก็ออกพ้นจากบริเวณปากกล้วยมีลำห้วยเล็กๆขวางหน้าสายน้ำขุ่นแดงไหลไปตามพื้นกรวดปนหินน้ำเหล่านั้นน่าจะเป็นน้ำป่าที่กระเซ็นกระสายหลงเหลืออยู่จากการบ่าท่วมทน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 ที่จะไม่เดินเข้าไปสู่ดงหนามหรือใบไม้ที่เป็นอันตรายต่อผิววิแววของกระจงที่เพ็นให้เห็นอยู่วับแวมตลอดจนเหล่าวิหกนกป่าพอจะบอกได้ว่าสัตว์ ร, ร้ายอันตรายยังไม่แพ่วพานเข้ามาอยู่ในละแวกนี้หล่อนเดินมุ่งไปหาดวงตะวันโดยมีความหวังว่าพอจะมีเวลาเหลืออยู่อีกอย่างน้อยก็ครึ่งชั่วโมงก่อนค่ำ สภาพาป่าที่ดันดนไปตามลำพังคนเดียวมีลักษณะลุ่มลุ่มดอนดนเดี๋ยวไต่เนินขึ้นสูงเดี๋ยวก็ราบลงต่ำสลับกันอยู่เช่นนั้นอย่างที่เรียกกันว่ามอและมากมีเนินปลวกที่พันไม้ขึ้นปกคลุมให้เห็นอยู่เป็นระยะระยะหล่อนจะหลีกเลี่ยงโดยไม่เฉียดเข้าใกล้เนินปลวกหรือพุ่มไม้ที่ดูทึบเกินไปนักและใช้ไม้ที่อยู่ในมือ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 เทาที่กําลังจะนําพาไปได้เพื่อจะได้อาศัยเป็นกองฟืนสําหรับราตรีที่กําลังจะย่างเข้ามาเยือนแม้อากาศยามพลบจะเริ่มเย็นเยือกลงเหงือของดารินก็ออกมาส่งกายเน็ดเหนื่อยเมื่อยลาเต็มทีหยึดได้ก้อนหินใหญ่ก้อนหนึ่งในละแวะกวงล้อมของโมูหินสูงสูงต่ําๆเปรียบเหมือนกําแพงโดยรอบทิ้งกายลงนั่ง เบาลมพูออกจากปากป้ายแขนเช็ดเหงือ่อโยนกิ่งไม้แห้งขนาดเคือ ง, องที่หอบและลากติดมือมาด้วยลงไปตรงหน้าเอนหลังพิงหินนั่งพักชั่วคราวพื้นบริเวณนั้นเรียบรากและแห้งสนิทอาจจะอาศัยเป็นที่หลับนอนได้ถ้ามีเป้หลังติดตัวมาด้วยหล่อนก็จะได้รับความสะดวกกว่านี้อีกมากทีเดียวแต่นี่ ไม่มีอะไรเลยนอกจากสิ่งของเล็กๆน้อยๆที่ติดกระเป๋าเสื้อและกางเกงอยู่เท่านั้นระหว่างนั่งหอบพักเหนื่อยก่อนจะลงมือก่อไฟราชสกุลสาวอดหวนคิดไปถึงอดีตไม่ได้ดู เ, เถอะสตรีสาวในชาติสกุลอันสูงส่งเพียบพร้อมไปด้วยค่าทาตบริวารเคยมีชีวิตอันสมบูรณ์พูนสุข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 ท้าว่ามาคราวนี้หล่อนจะหันหน้าไปหาใครนอกจากตัวเองอย่างโดดเดี่ยวความอ่อนระโหยโรยแรงและความง่วงเริ่มจะเข้ามาครอบงำอีกเผลองี่ไปชั่วขณะหนึ่งแต่แล้วก็สะดุ้งตื่นเพราะรู้สึกเหมือนมีอะไรมากระตุกที่ปลายเทา้าขณะนั้นมืดสนิทแล้วท้องฟ้าเบื้องบนเริ่มประดับไปด้วยดวงดาว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 ถ้าไม่เป็นจากสภาพสะดุ้งผวาของตนเองก็อาจจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งมาสะ ก, กิดเตือนหล่อนก่อกองไฟขึ้นทันทีชั่วไม่นานมันก็ลุกเป็นเปลววงแวมขึ้นให้ทั้งไออุ่นและความสว่างจำกัดแต่มันก็คือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับหล่อนในยามนี้ดึงปืนจากซองออกมาตรวจ ด, ดูกระสุนเพื่อความแน่ใจอีกครั้ง นกที่หากินในเวลากลางคืนและค้างคาวบินโชว์ึบับอยู่ไปมาเหนือสีสักเหมือนจะมาเป็นเพื่อนทักทายหญิงสาวผู้มีหัวใจอันกล้าหาญเด็กเดี่ยวเกินเพศดารินปิดปากขาวแล้วทอดกายลงนอนเหยียดยาวตามสบายกลางพื้นปัตถภีสีสัะหนุนขอนไม้มือทั้งสองประสานวางอยู่บนสวงอก ดวงตาเหมอมองบนท้องฟ้าปล่อยจิตใจล่องลอยคิดคำหนึ่งไปสารพัดป่านชนี้พี่ชายทั้งสองและเพื่อนตลอดจนคณะที่มาด้วยกันจะตกอยู่ในสภาพใดที่ไหนกันหนอถ้าเขาเหล่านั้นยังรอดปลอดภัยกันดีอยู่ก็คงจะเป็นทุกอย่างมากมายและคงกำลังออกติดตามค้นหาหล่อนกันชนิดไม่เป็นอันกินอันนอนทีเดียว นี่เป็นความผิดของหล่อนหรือเปล่าที่เป็นต้นเหตุให้พวกเขาเหล่านั้นต้องมาพลอยตกรกรรมลําบากไปกับหล่อนด้วยพวกเขาอาจจะพากันคิดว่าหล่อนตายไปแล้วก็ได้แล้วขํามืดลงแล้วเช่นนี้ก็คงไม่มีใครอาจหารสามารถติดตามหล่อนได้นอกจากหยุดพักกันอยู่ที่ใดที่หนึ่งก่อนพร้อมทั้งความวิตกกังวลขีดสุดสงสารพี่ใหญ่พี่กลางและก็ชยัน ที่ต้องมายากแค้นลำเค็นเพราะหล่อนแท้ๆโดยเฉพาะชั ย, ยันผู้ซึ่งเพิ่งจะมีโอกาสเห็นหน้าลูกชายสายกำเนิดที่เกิดจากเมีรักมาเรียเพียงชั่วคืนเดียวก็ต้องยอมเสียสละพละจากมาเพราะความหมายของคำว่าเพื่อนเพียงคำเดียวหล่อนเป็นผู้นำเอาความทุกข์ยากมาสู่พวกเขาแท้ๆหล่อนจะพลั้งพลาดชีวิตลงไปในครั้งนี้ก็ช่างเถอะ ไม่สถานสะเทือนเลยแต่ขออยากให้เคราะหกรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นกับพี่ใหญ่พี่กลางแล้วก็ชัยยันเลยท้ายสุดก็คิดแล้วคิดเล่าไปถึงเขาผู้นั้นอารมณ์หญิงต่อให้แก่งกล้าวสักขนาดไหนก็อดที่จะน้อยใจไม่ได้ขมเสือื่นกดน้ำตาไว้ดูเถอะก่อนจากกันคืนนั้น ยังนอนระกองกอดกันอยู่พร้อมด้วยคำมั่นสัญญาเป็นมั่นหมอะไม่น่าที่จะใจดําผละหนีไปได้ลงคอไม่รู้บ้างเลยเหรอว่าหัวใจของคนที่อยู่ข้างหลังจะเศร้าทรมตรมทุกขนาดไหนคล้ายๆจะแกล้งฆ่ากันทั้งเป็นนี่เธอหมดรักหมดอะไรฉันแล้วเหรอและเดี๋ยวนี้เธออยู่แห่งหนตำบลใด จะเฉะลิยวใจคิดบ้างไหมว่าดารินกําลังตกอยู่ในภาวะใดจากผลแห่งการด้านด้นติดตามเธอมากาอะไรหนอที่มาบังจิตบังใจบังความคิดของเธอไว้ยิ่งดึกยิ่งหนาวสถานจนกายสั่นกองไฟเล็กๆไม่ช่วยอะไรได้มากนะ แล้วหล่อนก็ไม่กล้าสมฟืนอันมีอยู่จำกัดเข้าไปมากๆเพราะเกรงจะไม่พอไปตลอดคืนความลำบากทุกยากสำหรับตัวเองจะหนักหนาเพียงไรหล่อนไม่เคยวันแต่พอคิดไปถึงเขาผู้นั้นคราใดก็สุดที่จะกลั้นน้ำตาไว้ได้ดารินนอนร้องไห้เงียบเงียบนายจิงครับ นายหญิงครับอย่าคิดอะไรให้ฟุ้งซ่านไปเลยครับนายหญิงแต่จงสวดมนต์ภาวานาไปเถอะเตือนระลึกไว้เสมอเถอะหากเผลอสติจิตใจอ่อนแอเมื่อไรเมื่อนั้นภัยที่มันจ้องรอโอกาสอยู่แล้วจะเข้าถึงตัวนายหญิงได้นะครั บ, รบเสียงทุ้มลึกกังวานแว่วแผ่วเบา ปรากฏขึ้นในโสตหรือในจิตใต้สำนึกหล่อนไม่สามารถจะแยกออกได้จะเหลือแแลเชงแงหาก็ไม่เห็นสิ่งใดนอกจากตัวเองภายในโลกร้างส่วนนี้ดารินพนมมือขึ้นหลับตาสนิทลงตั้งจิตแน่วแน่ระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังกคุณ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 โดยไม่รู้ตัวและคล้อยเข้าสู่นิทราสนิทเหมือนนอนอยู่บนฟูกทิ